จะอธิบายธรรมะซึ่งเป็นพื้นฐานของอุบาสกอุบาสิกาให้ฟังต่อไปอีกเพราะอุบาสกอุบาวิกาที่เรียกว่าเราถือพุทธศาสนาแท้แท้ที่จริง้องถือยนี่มันถึงศาสนาก่อนดังเราจะเห็นได้คือพุทธศาสนาแล้ว ยังไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดูเลิกงามดูหมอดูหมอแลยหมอทายต่างๆต่าน แ, แต่ว่ายังไม่ฉันถึงาศาสนาไม่เจ้าไม่พูดแต่เรื่องอะไรชาวบ้านหอกพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยังเป็นอยู่เหมือนกันครกบาชก ท, ทิศกาเข้าวัดเข้าอาจะจําอยู่เป็นยังเป็นอยู่เหมือนกัน นั่นแสดงว่ายังไม่เชื่อมั่นในพุทธศาสนาแท้ถ้าเชื่อมั่นในผลกรรมเชื่อผลกรรมเชื่อกำไ ร, รผลของกรรมแล้วละเด็ดขาดจะไปดูอะไรอีกดูเรื่องดูยามดูมอ ด, ดูอะไรอีกมันจะทำอะไรให้เราดีไปของพันธ กรรมเป็นของลิ์ิตส่งให้คนเรามาเกิดพอมาเกิดแล้วมันจะดีหรือจะชั่วก็เพราะกรรมดังหากไม่ใช่เพราะเลิกหยาเดือนดาวเินป่าอากาศไม่ใช่นะจะทำให้เราดีไปได้เราจะมีจะรวยเราจะอายุยืนนานเราจะ เป็นอะไรต่างต่างก็ดีมันหักเป็นดูอย่างนั้นถ้าจะไปแก้ได้ mm hmm. เหตุนั้นยังวาจะพูดถึงเรื่องกรรมให้ฟังต่อไปอีกพ mm ูด hmm. ถือพุทธศาสนาต้องตั้งหลักฐานให้มั่นคง mm hmm. เหมือนกับ mm hmm. เขาก่อสร้างรากฐานโบสถ์อย่างนี้เป็นต้น ต้องซีเข็มให้แน่นหนาแล้วจึงค่อยกอ่อขึ้นมามันจะค่อยถาวรมั่นคงคนเราถ้าหากว่าไม่เชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมแล้วเพียงได้พูดว่าขอถึงเพุทธเจ้าขอถึงเพื่อทำขอถึงพระส่ง ม, มันก็ไม่ถึงวิีดีนั่นเอง พอถึงได้เฉยถึงแ ป, ปากใจ ย, ยังไม่ถึงมันก็ไม่ถึงในเด็เดี่ยนเนี่ยเราวพูดไอ้นัตถิเมตนางอันอยังพุโทโธเมทโมเมจังโคลเมตนางอันอยังที่พื่อนอื่นนอกจากพุทธคัมภสง์แล้วไม่มีพูดได้แล้วแต่ใจมันทราบดึง ถึงพระพุทธภาษา ม, สมุสสคนที่ถือพระพุทธภาษามุสส้มั่นคงแน่นอนต้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งหลังหัวงมดตใครจะว่าาไงก็ตามเถอะจิตใจแน่ว แ, แน่ต่อพุทธภาษา ม, สมุสสแล้วง่าวง่าวไม่หวั่นไหวไปตามคำพูดของคน เชื่อมันในกรรมเชื่อผลของกรรมทั้งต่อพุพทธธรรมประสงค์จริงจังเชื่อมันในคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีตัวของเราทำชั่วกับตัวของเราจะดีจะช่วกับตัวของเราคนอื่นรับให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมทั้งหลาย เชินแจ้งไปจักชัดด้วยพระองค์เองแล้วท่านเจงเคยตรัสทะลุคนจากกิเลสบาปธรรมและหลวงมดเหล่านี้แหละเป็นบาปธรรมเหล่านี้แหลเป็นกิเลสคนเชื่อมงมายทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นตัวกิเลสเชื่อมั่นในคำพูดที่เจ้าแล้วแน่วแน่ในในใจของตนแล้ว จร่งนะพวงมดใครจะว่าไงก็ไม่้องวันไหวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วสามารถที่จะทำความดีได้ทุกสิ่งทุกประการละชั่วได้ทุกอย่างสิ้นห้ารักษาได้ง่ายไม่ต้องลำบาก หมดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาต่ะพษษษษษืชผิดนิชาจางกะของอัสาวาัรดิดื่มสุราเมรยครั้งแล้วนี้เป็นความชั่วบาปกรรมเราทำลงไปแล้วต้องได้รับบาปกรร ม, มนั้นๆเหตุนั้นผู้ที่เชื่อกรรมไม่สามารถกระทำความชั่วได้ ผู้ที่รับอะไรรับคงชั่วนั้นกรรมครบชั่วนั้นต้องเป็นผลกรรมของเราเองเราทำต้องได้ตัวของเราคนอื่นรับแทนไม่ได้พวกศาสนาคริสเตียนทำกรรมแล้วไปโปดล้างบาปได้คือบอกบาดหลวงว่าทำกรรมนั้น แล้วล้างได้มันล้างที่ไหนมันล้างใจได้กา ร, ร ม, มันเกิดที่หัวใจคนอิจฉาดิสยาประพฤติชั่วต่างๆมันเกิดที่หัวใจถ้า ใ, ใจไม่คิ ด, ดร้าแล้วไม่กระทำร้ายแล้วใครมันทําไม่ได้แล้ว ถ้าสาธิตดีและัับ ก, กาดีมันควมและโมบอยากได้คุณอิจฉาริษยาเขาต้องการอยากจะฆ่าอยาะแกงเขาน้นเกิดจากภายในใจถ้ายังค่อยทำบาปนัง น, นั้น้ะใครจะไปล้างบาปนั้น ทำคำสองพุทธเจ้าตอนนั้นล่างได้น้ำภายนอกล่างไม่ได้รอกทำคำสองพระองค์นี้สอนตั้งหัวใจใจคิดชั่วคิดบาปเห็นด้วยตนเองเศ้าหมองด้วยตนเองจิตไจิตใจไม่ฟองใส เกิดที่หัวใจของตนเองทุกคนก็ต้องการความสะอาดต้องการความฟ่องใสจิตใจให้เปิดบางถ้าเมื่อต้องการเช่นนั้นแล้วจะคิดทํากรรมความชั่วต่างๆต่างอธิบายนั้นจิตใจก็ฟ่องใสสะอาดเห็นได้ตนเองอย่างนี้ ทำคำสอนพรเจ้าทํชำระได้ด้วยอาการอย่างนี้เหตุนั้นจรงว่าชิ้นห้าประการนั้นง่ายนิดเดียวถ้าเมื่อใจถึงธรรมะแล้วใจเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วง่ายนิดเดียวถ้าพูทธท่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านละบาปตัว น, นี้ได้ พระธรรมท่านสอนลาบาปทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าสงฆ์ท่านก็ปฏิบัติดีละบาปทั้งหลายเหล่านี้ได้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นทิกสุดสามเณรให้เียงของากาติอะไรเลยละสองนี้ได้ง่ายนิดเดียวคือแล้วไม่ต้องไปบอกข่าวเปล่าร่องใครทั้งหมด เรานั่งอยู่ในที่นี้แหละงดเว้นในที่นี้แหละหายงดบาปกรรมนั่นไปในที่อื่นก็เหมือนกันเมื่อเราละที่นี้แล้วไปที่อื่นร็ละบาปกรรมได้แค่ต้องจัดกชวนคนอื่นได้ล่ะเาละเดียวตนเองอันนี้ทําดี เง่อมเกิดคนดีแกตนเรารับคนคนทุกเบิกบ่วาวทำคนชั่วอะไรแบ น, นี้คิดฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติไในชาจาเจ์มันต้องเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องคนอื่นชื่ออื่นสัดอื่น เป็นของทำยากว่าบุญบุญทำง่ายบาปทายากมันยากลที่มันต้องเกี่ยวเนื่องเรื่องคนอื่นมันต้องยากลี่บุญเนี่ยทด้วยตนเองละเลยตัวเองทิ้งเลยตเองไม่ต้อง บ, บอกเปล่าเป่าร้าองใครงดบาปนั้น คิดคนเดียวแต่ไม่สามารถกระทำคนชั่วดได้ต่อเมื่อได้ลงมือลงไ ม, ไม้พูดออกไปจึงค่อยเป็นปากเป็นที่นั้นเรียกว่าทำยากอยู่หน่อย แต่คนเห็นว่าทำบาปแล้ง่ายทำบุญแยากแท้จริงนั่นทำบาปยากกว่าทำบุญมีอันเดียวซึ่งมันยากอยู่คือว่าเราไม่ถึงธรรมะั้นถึงธรรมะแล้วง่ายนิดเดียวทำบุญเอาก็ะสน ไอ้ไอ้ทำบุญทำกุศลไอ้ทำบาปาบมันยากทำบุญกุศลนึ่งง่ายถือพุทธศาสนาถือมั่นอย่างนี้จึงจะมีรลักฐานจึงจะมั่นคงทาวรต่อไปถ้าไม่ถืออย่างนี้ละลังเลสงสัย อย่างเขาทำมาหากินอยู่ทั้งโลกคิดทั่วไปหมดทำมาค้าขายไม่ขึ้นก็หาว่าเป็นเพาะโชคสะตาไม่ให้ไม่อํานวยค้าขายไว้จเจริญได้ล่มจมก็หาว่าโชคสะตาไม่อานวย แค่ที่จริงนั่นพอแล้วนั่นมันหากเป็นตามเรื่องของกรรมคนที่ทำกรรมมาแล้วแต่ก่อนหรือในในใ น, ในหลายวันมาแล้วหรือนหลายปีมาแล้วหลายชาติมาแล้วก็ตามถึงน้าเราทำกรรมข่มชั่วไว้แล้วเช่นว่า เราไปชอบผงของของนี้เป็นตน้นรวยจริงในขณะที่เราจอบผง ม, มาได้รั่วเรื่องเงินรวยจริงสมบัติกันรวยจริ ง, ตรรงแต่ว่าไปในข้างข้างหน้าสามารถทีตามทันข้างหนึ่งปีข้าวหนึ่งเราได้เป็นอย่างนั้นมองคนอยากจะรวย เห็นคนอื่นรวยแล้วก็อยากจะรวยอย่างเขาแค่ที่จริงนั่นรวยด้วยเงินด้วยทองแต่จิตใจไม่ฟองใสเศร้าหมองในภายในตลอดเวลาไม่ควรสบายด้ยกว่านในทางธรรมนั่นท่านบอกว่านั่นไม่รวยคือความเศร้าหมองใจ ของภายนอกมันจะใช้ไปถึงไหนอันได้ๆของมันจะใช้ไปถึงไหนใช้ไปหน่อยนึงก็หมดแต่ความชั่วเนี่ยยังไม่หมดตลอดชาติตายไปได้ยังตามไปหลายรบหลายชาติอีกครับคันเห็นทาเห็นความข้อนี้แล้วคนเราเชื่อกม ย่อมไม่สามารถกระทำของชั่วได้เด็ดขาดอย่างในบรุษโลกเรือนสมัย พ, พระพุทธเจ้ายัางอยู่เขาหาก้าินลำบากเพื่อเกินเพราะทานตามกรอบตามชอบมีพระอินคนมีพระอินลงมาบรรดาลเอ้ยไม่มีพระอินมาถาม ถ้าหากว่าฉันจะให้เงินจะเท่าพักให้ทองเท่าไอเท่าพักทองเนี่ยเคยจะพูดได้ว่าเขาพูดไม่ใช่ของเราพระธรรมประสงค์ไม่ใช่ของเราเธอจะเอาไหมุรุโรคเรื้อนจะบอกว่าไม่เอาฉันไม่เอาหรอกจะให้มากกว่นี้ฉันก็ไม่เอาอนั่นแหละผลถึงว่าพุณพระธรรมประสงค์แท้ ไม่เห็นแก่ทองเท่าหน่วยพระทองเท่านั้นเขาลูกพระทองเท่านั้นเราจะไม่ถือไม่ถือพุทธประทานประสงค์ห ม, มายพวกมากเขาพูดประทานประสงค์ไม่ใช่ของเราเราไม่ถือพุทธประทานประสงค์ละไม่เอามันฝังแน่นเข้าถึงในใจแล้วเราจะไปกราาพูดยังไงได้ ถ้าคนทุกวันนี้ลองดูสิหลงเอาทองท่าหน่วยเท่ารูปพระทอง น, นี่เลยสาระทิ้งกับพุดประทำประสงค์อันนี้เป็นตัวอย่างเดชะานีา่ยวาให้พิจารณาดูตัวดูใจของเราว่าเราถือมั่นเพียงแค่ไหน ถือมั่นเท่าบริโจกเรือนนั้นหรือหรือเปล่าก็ไม่ต่าเราฟังเทศฟังธรรมทุกวันทุกวันทำบุญนาทานรักษาสินทุกเวลาทุกเมื่อทุกอย่างแต่ยังไม่ถื่ใจไม่ถึงธรรมมากเน้ยเมื่อถึงก็พูดประชามประสงยังห่างไกลกันนักจึงน่าเสียดาย พระชีวิตของเราได้ประสบพรบพุทธศาสนาดิเวทของหายากที่สุดที่จะได้ปรบดูสิติคนต่างชาติเขาจะรู้กักพญายา ม, มาเมืองไทยมาจะแหวงหาธรรมะในเมืองไทยคนไทยไแท้ๆไม่ไม่ถึงธรรมะ และประเทศไหนศาสนาจะมีอย่างเมืองไทยหรอพุทธศาสนาจะมีอย่างเมืองไทยเหมือนกัเมืองไท ย, ยเรามีครูมีอาจารย์มีผู้ฝึกงานตุกมสินก็มีผู้สอนสมาชิก็มีผู้ฝึกงานตุกมปัญญาก็มีผู้ให้ผมดูเป็นโชคดีหรือเกิดแล้วเกิดมาใต้พุทธศาสนา ศาสนาครอบงามเราอยู่แต่เราไม่ถือพุทธศาสนาจึงน่าเสียดายที่เราคืนมาในเมืองไทยเป็นคนไทยศาสนาสมัยนับว่าเจรอเรื่องที่สุดในเมืองไทยหาที่ไหนเปรียบไม่ได้หรอก เราอันมานอนเฝ้ามันก็ครบเฝ้าดอกบัวนี่ครบยกหัวกินบัวถุกกินดอก บ, บัวก็ไม่รู้เห็นนั้นยังควรพิจารณาถึงตัวของตนทุกทุกคนว่าสมควรแล้วหรือที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ฝึกฝนอบรมภาวนา ที่มาได้ถูกต้องสัมผัสสมาธิพ o น n านี่ก็นับว่าดียะโห่อนนี้ชิดนันศึกษาตลอดทุกว่าศุกวานิกามาเรวหลงพ o r นาถึงยังว่าท่านเป็นขอให้ตั้งหลักฐานให้มันมั่นคงคือความเชื่อมั่นยก่อน อันนั้นเรียกว่าความเชื่อมั่นเป็นหลักฐานลากอย่างลึกขึ้นไปก็คือว่าความเชื่อก ร, รมเพื่อผลของกรรมนั่นแ่ะมันจะค่อยเป็นไปหรอกเอาละตอนนี้ความเชื่อมัน่นของเราเท่าที่อธิบายมา มาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นแหละลึกซึ้งสุขขมมากทีเดียวจิตใจหายห่วงกังวลมดุกสิ่งทุกการแนว่วแน่เชื่อมาในพุทธศาสนาก็เป็นเอกกตาลงไปได้จิตเป็นเดียวน่ะเป็นอันเป็นอันเดียวน่ะเป็นสมาธิแล้วนะไม่ต้องเชื่อเิิงอื่น จิตเชื่อแน่วอันเดียวเท่านั้นอะ่ะว่าธรรมะขั้มสองพระเดจเจ้าสอนไว้อย่างไรเราเชื่อมั่นลงไปเราตั้งอยู่ในธรรมะขั้มสองพระเจ้าจิตเป็นเองก็ตาลงไปเลยเป็นแน้วเป็นสมาธิในตัวที่ไปเป็นสมาธิมันไม่แน่วแน่จิตตรงไม่เชื่อลังเลสงสัย อำนาจของพระ อ, องค์เทศนาไว้อย่างนี้มันจะจริหรือไหมเนาะลังเลยอย่างเงี้ยจับนั้นครัวนี้อยู่โดยไม่ติดสักอันความลังเลยเป็นเหตุให้สมาธิไม่เป็นเชื่ออย่างเงีศรัทธาเนี่เชื่อมัน่นเป็นอนัจฉริศรัทธาไม่มีหวันไหว ในทาคำสอนปฏเจ้าอย่างเราเชื่อว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เรในใมัจไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนตั้งมั่นอยู่เฉพาะในใจหายกังวลหาวุ่นวายความกังวลเกี่ยวข้องนั้นเป็น เป็นอุปสรรคอย่างสำคัญอย่างยิ่งที่ทำสมาธิให้ไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเทศนาว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเป็นอนิจจงเป็นทุกขขังเป็นอนัตตา เราไม่เชื่อนันก็เลยจิตก็เลยไม่ลงจิตก็เลยไม่เป็นรมาธิให้พิจนาให้ดีสิคนเราเกิดขึ้นมาเป็นอนิจจังทุกคนแนะพูดกันได้จริงหลไระนะควรวัดไปในจัง แม้ขอเป็นอันนี้ช่าง น, นี้ก็เป็นอนนี้ช่งใต่จิตใจที่จะเชื่อมันจริงๆบางจังก็งเป็นของไม่เที่ยงจริแหละมันยังมาทังถึงตัวของเราคิดดูมันใหญ่เป็นหนุม่มเป็นสาวในขนาดนี้ึงแก่เฒ่าในขนาดนี้มันไม่เที่ยงอะไรอย่งนี้เพเป็นภา่านี้ มันถ้าหางมันเที่ยงมันทาวอนมันก็เป็นหนุ่มอยู่มันก็เป็นเด็กก็เลยไปมันก็เป็นหนุ่มอยู่เยไปจีิงๆกลัวมันแปรปรวนอยู่แปรสภาพตามเรื่องของมันอยู่ก็ดูดูได้เปนฟ้าอากาศไปไหนเดี๋ยวหลังๆก็ร้อนเดี๋ยวหลังๆก็หนาวมันนี่งกลับร้อนไปอีกอืกลับไปน้อยนๆก็เป็นฤดูฝนไปอีก น่าจะเป็นฤดูหนาวไปไปกลับไปหาร้อนอีกความแปรปวนนี่แหละมันบังคับตัวของเราที่มันเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันแก่ไปเพราะอินฟ้ า, าการแปรปวนอย่างนี้แหละนักการกับแปรปวนตัวเราก็แปรปวนเลยเกี่ยวพันกันไปตลอดเวลา นั่นเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงอะมันจะเป็นทุกขะมันแต่ปวันนั่นแหละมันยังทนทุกข์ได้ยากทุกข์ห ม, มายความว่นนาทนได้ยากมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันยังเป็นทุกข์ เป็นนัตตาเพราะบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ยังเข้าเสียนอนัตตาอันเดียวกันนั่นแหละวันนี้ยังทุกข อ, อนัตตามันอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ที่เจอนาเท่านี้แหละขั้นสองภูฏิเจ้าตอนนี้เราเห็นเท่านี้แต่ยังไม่ได้เห็น คนเราไม่เห็นจึง่าไม่เชื่ อ, อข้ามสอนบริเจ้าถ้าหากจิตใจเชื่อแนวแนวไปจริงงั้นเนี่ยเป็นอันนี้จังจริ ง, รงเกิดสลดสังเวชจิตใจก็เข้าหมองจิตใจหดหูสลดใจ ไม่คิดไปมาที่ไหนอยู่แน่วแน่เดียวด้านแหละที่เรียชื่อว่าเชื่อคําทำคําสองรปเจ้าแทนคนเราชอบประมาทไม่เห็นอันนี้จังทุกขงกังอนตตาเรียกว่าประมาทเพลินมัวเมา ลงเรื่งเรื่องต่าในเวลาที่มันจะชินสุดของความไม่เที่ยงเมื่อไรละคือความตายไม่ถึงจึงจะมาไปจึงจะเห็นของจริงเมื่อเห็นของจริงจิตใจมันไม่อยู่แล้วค่ะนี่มันวุ่นละ อยากจะให้มันเที่ยงงนงู้นอยากให้เที่ยงอย่างเดียวคือไม่อยากให้ตายที่ไหนได้มันจวนแล้วมันถึงเวลาแล้วเราไม่ฟึ ก, ฟกนผลฟนผลอารมณ์ได้บตนต้นถ้าเราฟึกผลอารมแล้วปล่อยเรื่องเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าหมดเรื่องไป นี่แหลการฟึกผลอบรมมันมีประโยชน์อย่างนี้ถึงจะเป็นแล้วแต่เองก็ขอให้ได้ฟึกผลอบรมคือได้ฟังใลยท่านเทศในฟังท่านอบรมผู้บฝนนั้นขอให้จดจําไว้เอามาคิดพิจารณาบ่อยๆจ น, นั้นเปนชุนนี่ชานาูวันหนึ่งละมันจะถึงธรรมะวันหนึ่งละจะเข้าถึงธรรมคำสอนด้วยเจ้าวันหนึ่ง่ทะทําธรรมสมาธิภาวนาครับ